แต่วันนี้ก็จะเป็นการหารือกันในบรรดาทั้งคารวาัตทั้งฝ่ายปกครองทั้งบ้านเมืองและฝ่ายพระสงฆ์และกษิตญาณุสิทธิทองค์ลงตาอาจจะต้องหารือกันในที่สระกลางจังหวัดแต่ถึงยังไงงานนี้ก็เป็นทนูลกรหม่อมฝ้าหญิงเป็นประธาน ประธานผู้ออกแบบก็คือพระองค์เจ้าสิลิพาจุทาพรกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศ <c oughs> ิลปาการเป็นผู้ออกแบบเจทีของหลวงตาแต่สำหรับผู้ออกแบบท่านเองท่นก็ไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ปีปัญหากับตรงที่เอาลงตรงไหนยังไงแต่เรื่องจตุ ป, ปัจจัย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 สิบสองปีเอ่อสปีที่เราทุ่มลงไปเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานในเมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจว่าที่เราทําด้วยศรัทธาของเราเนี่ยทุ่มหัวใจลงไปเนี่ยเราจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีโอกาสอีกแล้ว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 ออกเงินสร้างไปดีของหลวงตานี่มากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าใครคือสําคัญไม่สําคัญแต่หลวงพ่อคิดว่าในความรู้สึกของหลวงพ่อนะบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายขององค์หลวงตาเนี่ยเหมือนกับคนภายในประเทศเนีคือคนในประเทศไทยพูดง่ายๆ่ายลูกศิษย์หลวงตาเน่ยสมมตินะสมมติเหมือนกับคนในประเทศไทย